เมื่อครั้งที่พระุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่กรุงสาวัตถนะีอยู่ที่วัดเชตวันพระองค์ก็จำพรรษาที่นานๆทีเดียวนะ20พรรษาได้ก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์มีทั้งการพบแล้วก็การพลากยังมีคราวหนึ่ง นางวิสาขาก็เสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผมนี่ก็กระเซาะกระเซิงร้องหงร้องไห้ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลานสาวที่ตัวเองรักได้เสียชีวิตลงนางวิสาขาก็คร่ำครวญถึงความดีของหลานสาวพระพุทธเจ้าก็จัดถามว่าถ้าคนในกรุงสวัรถีเนี่ยทุกคนเนี่ยดีเหมือนดัง หลานสาวของนางเนี่ยเธอจะว่าอย่างไรนะเธอจะรักเขาไหมนางวิสาขาก็บอกว่ารักนะถ้าคนกรุงสาวัสดีทุกคนดีเหมือนหลานสาวเนี่ยก็จะรักผู้เจ้าก็ถามต่อไปว่าคนในกรุงสาวัสดีเนี่ยวันหนึ่งตายกี่คน น, ะนางวิสาขาก็บอกว่าตายมากทีเดียวผู้เจ้าก็เลยตล่ว่าถ้าเช่นนั้นนางวิสาขาจะไม่ร้องหม่มร้องไห้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 ไม่ใช่รักนะที่เรียกว่าเมตตานะเมตตานี่ก็เป็นความรักแต่เป็นความรักที่มุ่งปรารถนาดีเป็นที่ตั้งความรักอีแบบยังเรียกว่าสินเนหาสินเนหาหรือสเสนหานั่นแหละสินเนหาสนอหาอ น, นี้คำเดียวกันมันเป็นความรักความผูกพันที่มุ่งสนองตัวตน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 พันธุละซึ่งเป็นเสนาบดีคนสนิทของพระเจ้าปเสนทิโกศนจากกรุงสาวัตถีเหมือนกันสองคนนี้ก็รักกันมากนะเพราะว่าเคยไปเรียนที่ตักศิลาด้วยกันของสำนักทิศาปามโมกแล้วก็ต่างก็มีเชื้อเจ้าแต่ว่าพันธุละนี้มีปัญหานะกับพวกเครือข่ายญาติที่ เอเมืองเวสาลีก็เลยมาเป็นเสนา บ, บดีทํางานรับใช้พระเจ้าเสนิโกสนสองคนที่เก่งมากนะในเรื่องการรบพันธุระนนี้ก็เป็นเรียกว่ามือขวาของพระเจ้าปเปสนิโกศนเลยแต่ว่ามีคนไม่ชอบก็เลยเพชทูลจนกระทั่งพระเจ้าปเปสนิโกสนเนี่ยระแวง ว่าพันธุละเจนา บ, บดีจะก่อการกรบฏพระเจ้าแผ่นดิที่กษสตินี่หูเบานะเป็นคนหูเบาแล้วก็เลยล่อเลยลวงให้พันธุละเนี่ยกับลูกเขยเลูกกับลูกชายซึ่งมีสาสิบสองคนนะเป็นแฝดสิบหคู่เก่งในการรบทั้งนั้นเลยล่อให้ไป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 หญิงรับใช้ก็เกิดทำาจานใส่เนยแตกต่อหน้าภาษาริบุตรแตกดังเพลงเลยนะเสียงดังลืมบอกไปว่าตอนที่ข่าวมาถึงนางมาริกาเทีวีตอนเช้าเนี่ยนางก็รับจดหมายแล้วก็อ่านข้อความแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งที่มันเป็นข่าวร้ายมากๆข่าวร้ายสุดๆก็เก็บกระดาษนั้นไว้ที่ชายพก แล้วก็ประเคนอ า, อาหารถวายพระแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่านะก็คือว่าหญิงรับใช้ทำจานถาใสา่เนยแตกพระสายเล็บเห็นก็เลยพูดปลอบใจนาเมริกาว่าของที่มันแตกได้มันก็แตกไปแล้วนะนะอย่าได้ไปเสียใจเลยนาเมริกาก็เลยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยอดิฉันเพิ่งได้ทราบว่าสามีและลูกทั้งหมดตายสิ้น